วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ห้าพุทธจิกายนพุทธศักราช2566เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ธรรมได้ ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อเป็นการเสริมสติปัญญาความรู้ความฉลาดที่จะนำไปใช้ในการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจธรรมะวันนี้ที่เราจะมาฟังกัน ก็คือเรื่องปัญญาทางพระพุทธศาสนาปัญญาคือความรู้ความรู้ของพระพุทธศาสนานี้เป็นความรู้ที่นำมาไปใช้ในการดับความทุกข์ทางใจได้มีปัญญาหรือความรู้ทางพระพุทธศาสนา เพียงความรู้เดียวเท่านั้นในโลกนี้ที่สามารถที่จะนำเอาไปกําจัดความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไปได้ความรู้ทางโลกความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เรียนรู้กันในสถาบันการศึกษาต่างๆที่มีชื่อเสียงและไม่มีชื่อเสียง ความรู้ต่างๆที่สอนกันในสถาบันของโลกนี้ไม่สามารถนํำมาไปกําจัดความทุกข์ทางใจได้เลยแม้แต่ขแขนงเดียวไม่ว่าจะเป็นขแขนงใดก็ตามระดับใดก็ตามไม่ได้สอนเรื่องของวิธีการดับความทุกข์ทางใจไม่ได้สอนเรื่องเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ทางใจขึ้นมา เพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่มีความสามารถที่จะรู้ถึงเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรและวิธีการดับความทุกข์นี้ดับได้อย่างไรไม่มีคนในโลกนี้สามารถรู้ได้ด้วยตนเองเลยนานๆจะมีคนเก่งคนฉลาด คือพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นที่จะมาค้นพบสาเหตุของความทุกข์ทางใจว่าเกิดจากอะไรและวิธีการดับความทุกข์ทางใจนี้ดับได้อย่างไรถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรุและมาประกาศพระธรรมคำสั่งคำสอนให้แก่ บรรดาสัตว์โลกอย่างพวกเราสัตว์โลกทั้งหลายในโลกนี้ก็จะต้องติดอยู่ในกองทุกข์ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้ามีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาในโลกนี้แล้วมีผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วเกิดความศรัทธาความเชื่อน้นอมนำมาไปปฏิบัติก็จะสามารถกําจัดความทุกข์ทางใจต่างๆให้หมดสิ้นไปได้ปัญญาทางพระพุทธศาสนานี้ก็มีแบ่งไว้เป็นสามระดับด้วยกันระดับที่หนึ่ง เรียกว่าสุตตมยาปัญญาคือความรู้ที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า <Yeah. S 2> ขั้นที่สองก็คือจินตามยปัญญาความรู้ที่เกิดจากการไข้ครวนพิจณาพระธรรมคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้า ที่ได้ศึกษาได้เรียนมาเพื่อให้ไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเพื่อให้อยู่ในใจไปตลอดเพราะว่าถ้าฟังแล้วไม่นำมาไปพิจารณาอยู่เนืองๆไม่คิดอยู่เรื่อยๆก็จะลืมได้ถ้าลืมแล้วเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมา ก็จะไม่รู้วิธีกำจัดความทุกข์ว่ากำจัดได้อย่างไรนี่คือปัญญาขั้นที่สองอขั้นที่สามก็คือภาวนาไมายปัญญาปัญญาขั้นที่สามนี้เป็นปัญญาที่จะสามารถ ดับความทุกข์ทางใจได้ปัญญาขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองนี้ยังไม่มีความสมบูรณ์ยังขาดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการภาวนาการทำใจให้สงบความรู้ที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาเล่าเรียนจากการพิจารณานี้ ใครๆก็สามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องมีการบําเพ็ญจิตตภาวนาคือการทำใจให้สงบให้ใจเป็นอุเบกขาแต่ความรู้ที่ได้จากการศึกษาได้จากการพิจารณานี้จะไม่มีกําลังที่จะนำมาไปกาจัด ต้นเหตุของความทุกข์และดับความทุกข์ได้ต้องอาศัยการสร้างพลังให้แก่ใจก่อนพลังของใจก็คือความสงบในสมาธิที่ทำให้ใจวางเฉยได้หยุดนิ่งได้ไม่กระทาตามเหตุที่สร้างความทุกข์ได้ เวลาเกิดความทุกข์ก็จะรู้ว่าเหตุของความทุกข์เกิดจากอะไรเมื่อรู้แล้วก็ระ ง, งับหยุดเหตุได้เมื่อระงับหยุดเหตุได้ทุกข์ก็จะดับไปปัญญาขั้นที่หนึ่งที่ได้ยินจากการศึกษานี้ ยังไม่สามารถที่จะหยุดเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ได้เช่นเดียวกับปัญญาขั้นที่สองปัญญาขั้นที่สองดีกว่าขั้นที่หนึ่งตรงที่ว่าไม่หลงไม่ลืมจําได้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่เวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาใจจะไม่มีกําลังหยุดเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจได้ ปัญญาขั้นที่หนึ่งกับขั้นที่สองนี้ต่างกันตรงที่ขั้นที่หนึ่งท่านได้ยินได้ฟังได้ศึกษาแล้วไม่เอาไปทบทวนอยู่เรื่อยๆก็จะลืมได้พอลืมแล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีปัญญาเลยไม่มีความรู้วิธีการดับความทุกข์เลยว่าดับได้อย่างไรจึงต้องนําเอาไปทบทวนพิจารณาอยู่เนืองๆให้รู้อยู่เรื่อยๆ ว่าความทุกข์ใจนั้นเกิดจากอะไรและจะต้องทำอย่างไรถึงทำให้ความทุกข์ใจนั้นหายไปถ้ารู้ว่าความทุกข์ใจเกิดจากเหตุนี้ก็ต้องหยุดเหตุนี้ให้ได้แต่ถ้าใจยังไม่ได้ไปฝึกภาวนาไม่ได้ไปเจริญส ม, มะถะภาวนา ใครทำใจให้สงบให้เกิดอุเบกขาขึ้นมาใจจะไม่มีอุเบกขาไม่มีกําลังที่จะหยุดเหตุที่สร้างความทุกข์ต่างๆขึ้นมาได้ดังนั้นปัญญาขั้นที่หนึ่งกับขั้นที่สองนี้ยังไม่มีกําลังที่จะหยุดที่จะดับความทุกข์ต่างๆได้ต้องปัญญาขั้นที่สาม คือภาวนามายปัญญาคือผู้ใจของผู้ที่ต้องการจะกาจัดความทุกข์นี้จาเป็นจะต้องไปฝึกสมาธิไปทำใจให้สงบให้นิ่งเฉยให้ได้ก่อนถ้าใจนิ่งเฉยได้แล้วหยุดก็จะสามารถหยุดเหตุที่สร้างความทุกข์ให้กับใจได้เมื่อใช้ปัญญาขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองมาวิเคราะห์ดู ว่าเกิดจากเหตุอะไรพอราพอรู้ว่าเกิดจากเหตุอันนี้ใจ ก, ก, ก็จะหยุดเหตุอันนี้ได้ทันที mm. นี่คือปัญญาขั้นที่สามแต่ปัญญาขั้นที่สามนี้ก็ต้องอาศัยปัญญาขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองก่อนถ้าไม่ไปเรียนรู้จากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ก่อน ว่าวิธีการดับความทุกนี้ดับอย่างไรทุกนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุอันไรและจะหยุดความทุกนี้ได้อย่างไร<ม>ถ้าไม่ไปเรียนรู้เวลาเกิดความทุกข์ก็ไม่รู้จะดับอย่างไร<ม>ก็มักจะไปดับความทุกข์โดยวิธีที่ไม่ถูกที่ไม่ได้ดับความทุกข์อย่างแท้จริงจ<ม>ึงต้องมีการเจริญปัญญาขั้นที่หนึ่งก่อน ให้มันศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อย <L ess> ๆเพื่อที่จะได้รู้ว่าเวลาที่เกิดทุกข์ทางใจเวลาเกิดความไม่สบายใจเวลาเกิดความเครียดความวิตรกกังวลหวาดกลัวต่างๆนี้มันเกิดจากอะไรและวิธีที่จะหยุดความทุกข์ต่างๆเหล่านี้หยุดได้อย่างไรต้องไปเรียนก่อน และต้องไปเรียนจากผู้รู้จริงๆคือพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เท่านั้นถึงจะสามารถที่จะสอนวิธีการดับความทุกข์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำถ้าไปเรียนจากผู้ผู้ที่ยังไม่ได้ปรนลุมักผลนิพพานจะไม่สามารถสอนวิธีของการดับความทุกข์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เราจึงต้องยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะนะเป็นครูเป็นอาจารย์สําหรับผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจขาดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปไม่ได้ต้องต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้คอยสั่งคอยสอนซึ่งเราก็สามารถที่จะ เข้าหาได้ทั้งสองทางพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือพระธรรมคำสอนของพระอริยสงฆ์สาวกก็มีบันทึกไว้ในในในสื่อในสื่อต่างๆและถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้ไปพบกับพระอริยสงฆ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ ก็จะสามารถศึกษาเรียนรู้จากท่านได้โดยตรงนี่คือแหล่งของความรู้ที่จะนํามาใช้ในการดับความทุกข์ทางใจ <c oughs> ต้องมาจากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ <c oughs> พระพุทธเจ้านี้ถึงแม้ท่านจะจากเราไปแล้วแต่ท่านก็บอกว่าจากไปเพียงแต่ร่างกาย <c oughs> แต่คําสั่งคําสอนของท่านนี้ยัง มีอยู่ในพระไตรปิฎกสวากขาโตพระกัตาธรรมโอถึงแม้ว่าพระไตรปิฎกนี้จะมีคำสอนมากมายเป็นหมืน่นเป็นหมื่นบทแปดหมืนสี่พันธรรมบทก็ตามแต่ทุกคำสั่งคำสอนนี้ก็จะสอนเรื่องทุกข์และวิธีการดับทุกข์เรื่องเหตุของความทุกข์ไม่ได้สอนเรื่องอื่นเลย เหมือนกับน้ำในมหาสมุทรน้ำในทะเลที่มีความกว้างใหญ่ไพศาลมปีปริมาณมากมายก่ายกองแต่น้ำทุกหยดที่ตักมาจากมหาสมุทรหรือจากทะเลนี้จะมีรสเหมือนกันรสเดียวเท่านั้นก็คือรสของความเข็มฉันได พระธรรมคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกบาททุกบทที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกก็สอนเรื่องของความทุกข์และเรื่องของการดับความทุกข์ว่าดับได้อย่างไร อ, อย่างนั้นถ้าเราอยากที่จะศึกษาจากพระพุทธเจ้าเราก็ไปศึกษาพระสูตรต่างๆซึ่ง ก็มีผู้ที่ได้ศึกษาและได้คัดเลือกเอาพระสูตรสำคัญสำคัญที่สามารถนำามาใช้ในการดับความทุกข์ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปศึกษาทั้งหมด8 0 0 0มืพระธรรมบทศึกษาเพียง5บทนี้ที่ได้มีการจัดทำเป็นหนังสือเรื่องเบญจางคับพระสูตรนี้ เป็นจางแปลว่าห้าห้าพระสูตรที่สําคัญในทางพระพุทธศาสนาคือหนึ่งก็คือธรรมจากกาปวัตตนสูตรพระสูตรนี้แจกสอนเรื่องเกี่ยวกับการเรื่องของความทุกข์เรื่องเหตุของความทุกข์เรื่องวิธีดับความทุกข์ว่าดับได้อย่างไรแล้วก็สอนเรื่อง พระสูตรอันต่อมาก็อนัตตะลักคณะสูตรอันนี้ก็สอนเช่นเดียวกันสอนวิธีดับความทุกข์โดยการให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีตัวตนแล้วก็มีพระสูตรอาทิตยะอาทิตะปริตปริยายสูตรอันนี้สอนว่าให้รู้ว่า รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะที่เราเสพเราสัมผัสกันนี้มันร้อนเป็นไฟมันเป็นไฟที่จะเผาไหม้จิตใจให้ทุกทรมานอย่างไม่รู้จักจบสักสิ้นวิธีที่จะไม่มีทุกข์ก็ต้องไม่ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะแล้วก็ประสูน ต, ต่อมาก็คือสติปัฏฐานสูตรประสูต์นี้จะสอนวิธีปฏิบัติ เจริญสตินั่งสมาธิให้เกิดส ม, มาถะภาวนาขึ้นมาให้เกิดอุเบกขาขึ้นมาแล้วก็สอนวิธีพิจารณาสิ่งที่ใจไปทุกข์ด้วยก็คือร่างกายเวทนาและธรรมารมณ์ต่างๆที่อยู่ในจิตให้รู้ว่าเขาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน ถ้าระยึดไปติดไปอยากให้เขาเที่ยงแท้แน่นอนก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วพระสูตรข้อสุดท้ายพระสูตรสูตรที่ห้าคือมงคลละสูตรมงคลละสูตรนี้จะสอน3ามสิบแปดขั้นตอนสู่การดำเนินสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจสอนตั้งแต่ให้รู้จักคบคน ให้ครบคนฉลาดครบคนที่มีปัญญาครบคนที่รู้ทุกว่าเป็นเกิดจากอะไรและวิธีดับทุกดับได้อย่างไรก็คือให้เขาให้ครบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ <estiver> เพื่อที่จะได้ยินได้ฟังได้ศึกษาวิธีการดับความทุกข์ต่างๆว่าดับได้อย่างไรไปจนถึงขั <into th> ้นสามสิบก็คือขั้นหลุดพ้นบรรลุถึงพระนิพพาน หลุดพน้นจากความทุกข์วิมุติหลุดพน้นเข้าสู่พระนิพพานอันนี้อยู่ในมงค ล, ลสูตรสามสิบแปดข้อด้วยกันสามสิบแปดขั้นตอนหรือสาสิแปดขั้นบันไดที่จะพาให้จิตของเราซึ่งตอนนี้เหมือนอยู่กับอยู่กับพื้นดินให้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆไปสู่สวรรค์ชั้นสูงสุดก็คือสวรรค์ชั้นพระนิพพาน น, นี่คือหนังสือที่สำคัญที่เราควรจะศึกษากันเพื่อเราจะได้รู้วิธีการกำจัดความทุกข์ที่ถูกต้องว่ากำจัดอย่างไรอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงต้องศึกษาจากแหล่งต้นต้นฉบับก่อนแล้วต่อไปเราก็ไปศึกษาจาก พระอาริยสงสาวกที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าเราสามารถหาได้พบได้ก็ลองไปศึกษากับท่านดูและเราก็จะได้เปรียบเทียบคำสอนของท่านกับคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าตรงกันไหมเหมือนกันไหมหรือขัดกันตรงไหนอย่างไรถ้าขัดกับคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็แสดงว่าไม่ใช่วิธีการดับความทุกข์พระพุทธเจ้าสอนวิธีดับความทุกข์ถ้าคำสอนของผู้ น, นี้ไปขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นสอนให้รักษาศีลแล้วคำสอนของผู้อบอกว่าไม่ต้องรักษาศีลอย่างนี้ก็เรียกว่าขัดกันถ้าขัดกันนี้ถ้าปฏิบัติตามคำสอน ที่ขัดกับคาสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่ดับความทุกข์ในใจได้นอกจากไม่ดับแล้วยังไปสร้างความทุกข์ในใจให้เกิดเพิ่มมากขึ้นไปอีกด้วยอันนี้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ <c oughs> ที่เราควรจะเข้าหาถ้าเราอยากจะศึกษาอยากจะได้ปัญญาทางพระพุทธศาสนาอยากจะได้สุตมัปัญญาต้องมีพระพุทธพระธรรม หรือพระ อ, อริยสงสารกเยตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระโสดาบันนี้ก็รู้วิธีการดับความทุกข์เพียงแต่ว่าท่านยังไม่สามารถดับความทุกข์ได้ร้อยเปอร์เซแต่ท่านมีเครื่องมือในการดับความทุกข์่ารรู้ว่าวิธีดับความทุกข์ต้องทำอย่างไรและท่านกำลังดาเนินการไปของท่านอยู่เรื่อยๆถ้าท่าน ถ้ามีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมของท่านก็จะไม่หลงทางจะรู้ว่าเราหลงไม่หลงก็เราต้องศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรในการดับความทุกข์ทางใจนี่คือเรื่องของสุดะมัยญปัญญาต้องเรียนรู้ก่อนว่าอะไร เป็นเหต <Race. S 1> <watermelon. S 2> ุที่ทำให้เก <pr ิดความทุกข์ทางใจเหตุที่เกิดในความทุกข์ทางใจพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้ในอริยสัจสี่ความทุกข์ทางใจนี้เกิดจากเหตุอะไรเกิดจากความอยากต่างๆของใจเช่นเวลาเกิดความทุกข์ทางใจเพราะเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งอย่างนี้ เวลาใครเป็นโรคมะเร็งนี้มีใครหัวเละมีใครยิ้มได้ไหมมีใครไปสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ได้หรือเปล่า<ะ>ทุกคนพอไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเนี่ยใจนี้จะซุดลงไปอยู่ที่เท้าเลยเหมือนกับจะไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะอยู่ต่อไปได้<ม>อันนี้แหละคือความทุกข์<ะ>ทุกข์ที่เกี่ยวกับร่างกายสังขารร่างกาย ทุกที่เกิดจากความแก่ความแก่นี้อาจจะไม่รุนแรงเพราะมันค่อยๆขยับมาทีละเล็กทีละน้อยมันไม่ได้มาแบบกระทันหันเหมือนเกิดโครคภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรงเช่นเป็นโรคหัวใจโรคความดันโรคโรคมะเร็งพอพอรู้ข่าวว่าร่างกายเป็นโรคมะเร็งนี่ใจจะสุดลงไปเลย ใยจะตกใจกลัวเป็นอย่างยิ่งนี่แหละคือความทุกข์น่าสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์นี้เกิดจากอะไรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเกิดจากความอยากของใจอยากไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเองอยากไม่ให้ร่างกายตายความอยากอันนี้ต่างหากที่สร้างความทุกข์ให้กับใจไม่ใช่ความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความตายของร่างกายถ้าไม่มีความอยาก ให้ร่างกายไม่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่ตายเวลาร่างกายเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคอะไรใจจะรู้สึกเฉยเฉยเวลาร่างกายจะตายใจจะรู้สึกเฉยเฉยนี่ถ้าใจของเราไม่เฉยก็แสดงว่าใจของเรานี้มีตัณหาความอยากเราก็ต้อง เราก็ต้องหาวิธีหยุดความอยากนี้ให้ได้และวิธีที่จะหยุดความอยากนี้ได้ก็ต้องมีปัญญาเห็นความจริงของร่างกายเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของชั่วคราวเป็นของที่มีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมเป็นธรรมดาร่างกายเกิดมาแล้วก็จะต้องแก่ไปตามเวลา เจ็บไข้ได้ป่วยไปตามเวลาแล้วก็ตายไปในที่สุดตามเวลาของมันนี่คือกฎของอนิจจังความไม่เที่ยงและเป็นกฎของอนัตตาก็คือร่างกายไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใจใจไม่สามารถห้ามไม่ให้ร่างกายไม่แก่ได้ห้ามไม่ให้ร่างกายไม่เจ็บได้ห้ามไม่ให้ร่างกายไม่ตายได้ เรียกว่าอนัตตาอยู่เหนือความความบางังคับของใจเพราะฉะนั้นใจจึงเกิดความทุกข์เพราะใจมีความอยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆอยากให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้ร่างกายไม่ตายเพราะว่าต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือ ในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งก็เป็นความอยากอีกตัวหนึ่งคือกามตัญหาความอยากหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆถ้ามีความอยากอันนี้ก็ต้องมีร่างกายเพราะร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกายไว้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะนั่นเอง ถ้ามีความอยากดูรูปก็ต้องมีตาถึงจะดูได้มีความอยากจะฟังเสียงก็ต้องมีหูถึงจะฟังได้มีความอยากที่จะลิ้มรสดมกลิ่นก็ต้องมีมีลิ้นมีจมูกมีความอยากที่จะสัมผัสสิ่งที่มากระทบกับร่างกายต่างๆก็ต้องมีมีร่างกายพอพอต้องอาศัยร่างกายใจเลยเกิดความรักความหวงร่างกายขึ้นมา ไม่อยากให้ร่างกายเป็นอะไรความไม่อยากให้ร่างกายเป็นอะไรเนี่ยเป็นตัวมาสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะไม่มองเห็นความจริงไม่ได้ศึกษาความจริงของร่างกายว่าร่างกายมันเป็นสิ่งที่มันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมชาติเหมือนดินฟ้าอากาศฝนตกแดดออกไม่มีใครไปกาหนดไ่ไ ป, ไป สร้างให้เกิดฝนตกแดดออกขึ้นมาได้ฝนมันจะตกแดดมันจะออกมันมีเหตุมีปัจจัยของมันมันเป็นเรื่องของการการเคลื่อนไหวทางธรรมชาติร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมของธรรมชาติมันก็มีเหตุที่จะทำให้มันเจริญเติบโตแล้วก็มีเหตุที่จะทำให้มันแก่มีเหตุที่ทำให้มันเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วก็มีเหตุที่จะทำให้ตายและเหตุเหล่านี้ก็ใจไม่สามารถที่จะไปห้ามไปควบคุมบังคับได้<ม>ร่างกายก็เลยเป็นอนัตตา<ม>เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหมือนกับดินฟ้าอากาศ<ม>เราไม่สามารถที่จะไป<ม><ม>ไปห้ามไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้<ม>ถ้าเราศึกษากฎของตายลัก เราก็จะเห็นความจริงของร่างกายว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาถ้าไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับได้ใจก็จะทุกข์ขึ้นมาเพราะมันเป็นไปไม่ได้อยากไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะมันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ทำให้ทุกข์ขึ้นมาอยากให้มันไม่ตาย พอมันตายขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ทางใจขึ้นมานี่นี่คือเหตุของเรื่องของความทุกข์ว่าเกิดจากเหตุอะไรก็เกิดเกดจากเหตุสามประการความอยากในเสบรูปเสียงกลิ่นลดกามตัหาทำให้เราต้องยึดติดกับร่างกายต้องให้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เลยทำให้เกิด ตันหาข้อที่สองก็คือภาวะตันหาก็คืออยากให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอยากให้ร่างกายมีสุขภาพดีอายุยืนยาวนานแล้วก็มีความอยากข้อที่สก็คืออยากไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายนั่นเอง น, นี่แหละคือตัวที่จะทำให้เราทุกเวลาที่เราเจอกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย และการที่จะทําให้ความทุกขนี้หายไปจากใจนี้ต้องทําอย่างไรก็ต้องทําด้วยการละความอยากหยุดความอยากทั้งสามนี้หยุดกามาตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาและการที่จะหยุดกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหานี้หยุดได้อย่างไรก็ต้องหยุดด้วยปัญญานี่เองปัญญาที่มีอยู่สามระดับด้วยกัน ถ้าเราไม่รู้เรื่องอริยสัจสี่เลยเราก็ต้องไปศึกษาเรื่องอริยสัจสี่ถ้าเราไม่รู้เรื่องไตรลัก์เลยเราก็ต้องไปศึกษาเรื่องไตรลัก์พอเราศึกษาเรื่องอริยสัจสี่เรื่องไตรลัก์แล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อความทุกข์ทางใจนี้เกิดจากความอยากและจะละความอยากได้ต้องเห็นว่าร่างกายนี้เป็นไตรลักษณ์เป็นั้นเป็นของไม่เที่ยง เป็นของธรรมชาติไม่ใช่เป็นของเราอนัตตาพอเห็นแล้วก็จะได้สอนใจให้ยอมรับความจริงให้ได้ถ้าสอนแล้วใจยังไม่ยอมรับความจริงก็แสดงว่าใจยังไม่นิ่งไม่สงบตัวที่ต่อต้านความจริงก็คือกิเลสตัณหานี้ยังไม่ยอมหยุดทํางานจึงจําเป็นที่จะต้องไปฝึกจิตตะภาวนา ไปเจริญสัมมาทฐานาไปทำใจให้สงบนิ่งเสีย ก, ก่อนถ้าสามารถทำใจให้สงบนิ่งได้แล้วใจก็จะสามารถหยุดความอยากได้เวลาเกิดความอยากขึ้นมาเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วปัญญาเห็นว่าเกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ พอมันเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาแล้วมันไม่ได้ดังใจอยากมันจะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาถ้าไม่ต้องการจะเกิดความทุกข์ทรมานใจก็หยุดความอยากเหล่านี้ด้วยปัญญาด้วยการยอมรับความจริงว่าร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาแล้วก็ต้องอาศัยสมถะภาวนาปุจจใจที่สงบที่นิ่งถึงจะสามารถหยุดความอยากได้ แล้วนี้แหละคือภาวนามายปัญญาคือวิธีสิ่งที่จะมาดับความทุกข์ทางใจละสมุ ท, ทยัยละละต้นเหตุของความทุกข์ทางใจละตัณหาได้ก็คือการมีมีมรรคมรรคก็คือสติปัญญาที่สมถภ า, ภาวนาสติปัญญาที่เราจะเอามาสอนใจ ให้เห็นความจริงของร่างกายว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของธรรมชาติไม่ใช่ของเราธรรมชาติเป็นผู้กาหนดให้ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเราไปขัดไปขืนธรรมชาติไม่ได้ธรรมชาติเป็นผู้สั่งการเราต้องน้อมรับคำสั่งของธรรมชาติถ้าเรายอมรับคำสั่งของธรรมชาติได้ใจของเราก็จะไม่ทุกข์เพราะใจเราจะไม่อยาก เพอรู้ว่าอยากไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากจะสร้างความทุกข์ให้กับใจเท่านั้นนี่แหละคือวิธีการดับความทุกข์ด้วยด้วยปัญญาขั้นที่สามคือภาวนามายะปัญญาขั้นที่หนึ่งก็เพื่อเรียนรู้ก่อนว่าทุกเกิดจากอะไรและจะดับความทุกข์ได้อย่างไรเมื่อรู้แล้วก็ต้องนำเอาไปค้ําควรแล้วก็ไปทํา ทำใจให้สงบให้ได้ถ้าใจไม่สงบหยุดความอยากไม่ได้ดับความทุกข์ไม่ได้ถึงแม้จะรู้ว่าความทุกข์เกิดจากความอยากถึงแม้จะรู้ว่าร่างกายเป็นไตรลักษณ์ก็ตามแต่ถ้าไม่มีสมถะภาวนามไม่มีใจที่สงบนิ่งเป็นอุเบกขานี้จะไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากต่างๆได้นี่คือเรื่องของ ปัญญาทางพระพุทธศาสนามีอยู่สามระดับด้วยกันระดับแรกก็คือเรียนรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระดับที่สองเมื่อเรียนรู้แล้วก็ามาทำการบ้านามาพิจารณาอยู่เนืองๆหลังที่พูดุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราเหมือนพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาลองพ้นความแก่ไปไม่ได้ <c oughs> มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาร่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้มีความตายเป็นธรรมดาร่วงพ้นความตายไปไม่ได้มีการพัดพากจากการเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากการพัาดพลาดจากกันไปไม่ได้ให้คิดอย่างนี้อยู่เรื่อยจนไม่ให้ลืมจนจำได้ว่าร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจาก ร่างกายของผู้แล้วถ้าคิดแล้วเกิดอาการหดถู<ม>เกิดความไม่สบายใจใก็แสดงว่าใจนี้ไม่ยอมรับความจริงใจอยากจะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย<ม>ความอยากยังมีกำลังอยู่<ม>ก็ต้องไประงับความอยากด้วยการไปสร้างสมาธิ<ม>ไปนั่งสมาธิไปเข้าฌานไปเข้าสู่ฌานขั้นที่สี่ คือรูปฌปานสี่หรืออปปนาสมาธิใจจะสงบนิ่งว่างเปล่าเย็นมีแต่อุเบกขาและความสุขความสบายความอิ่มความพอถ้าใจอยู่ในจุดนั้นแล้วใจจะปล่อยวางความอยากได้หยุดความอยากได้ละความอยากได้จึงกลับมาที่การสร้างปัญญาขั้นที่สามนี้ต้องสร้างด้วยด้วยสองส่วนด้วยกัน ส่วนแรกก็คือความรู้ที่ได้ยินได้ฟังและความรู้ที่เอามาคิดค่ายควรเมื่อเรามีความรู้สองระดับนี้แล้วเราก็มาสร้างความรู้ที่มีการภาวนาส ม, มถาภาวนาเป็นผู้สนับสนุนถ้าเรายังเข้าสมาธิไม่ได้จิตเรายังไม่นิ่งเราก็ต้องมาฝึกจิตกันมาฝึกจิตตะภาวนา ในการที่เราจะฝึกจิตแตภาวนาได้นี้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติข้ออื่นที่จะมาช่วยสนับสนุนเพราะวิธีที่จะทําจิตให้สงบนี้ก็มีมีหลักการของเขาพระเจ้าทรงสอนว่าการที่จะมาทําจิตใจให้สงบนิ่งเป็นอุเบกขาได้นี้หนึ่งจำเป็นที่จะต้องไปปลีกวิเวก ไปหาที่สถานที่สงบสงัดอยู่ตามลาพังสองไม่คุกทีกับใครไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครอยู่คนเดียวสามต้องรู้จักการประมาณในการรับประทานอาหารคือรับประทานแค่มื้อเดียวก็พอรับประทานมากจะท า, าให้เกิดความง่วงเหงาหางนอนนั่งสมาธิแล้วจะสับประงกจะไม่ได้ผลต้องยอมอด ทางร่างกายเพื่อความสุขทางใจต้องยอมทุกทางร่างกายบ้างแต่ไม่ถึงกับทรมานจนจนเกินเหตุเกินผลไปร่างกายได้กินอาหารวันละมื้อก็ไม่ตายรับประกันได้แต่มันจะช่วยทําให้การภาวนานี้เป็นไปได้อย่างราบรื่นปราศจากอุปสรรคไม่ให้ไปอยู่ใกล้ให้อยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆ ให้สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายอย่าไปรับอย่าไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าชนิดต่างๆเช่นมือถือนี่ถ้าไปปฏิบัติจิตตภาวนานี่ควรปิดลึกไม่ควรออกไปเลยถ้าใจไม่แข็งพอถ้าเอาไปแล้วเดี๋ยวก็อดที่อยากจะเปิดดูไม่ได้พอเปิดดูแล้วก็ไปไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสเพิดเพลินไปกับอารมณ์แล้วก็จะทาให้ใจวุ่นวายใจฟุ้งซ่านขึ้นมา จะทําใจให้สงบก็ทาไม่ทาไม่ได้ต้องสํารวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายและการบริโภคอาหารรู้จักประมาณก็ต้องอาศัยการรักษาศีลแปดนั่นเองผู้ที่จะบำเพ็ญจิตตภาวนานี้จำเป็นที่จะต้องรักษาศีลแปดเพราะจะเป็นการ เป็นการบริโภคอาหารโดยประมาณไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วแล้วก็ไม่เสพรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะสัมรวมอินซีตาหูจมูกลิ้งกายเพราะรูปเสียงกลิ่นลดจะมากระตุ้นให้เกิดความโลภความอยากต่างๆและจะทำให้ทำใจให้สงบไม่ได้ น, นี่คือสิ่งนี้ที่จะต้องมีต้องทำให้ได้ก่อนที่จะไปภาวนาต้องฝึกรักษาสิง แล้วนอกจากมีเวลาไปปีกวิเวกแล้วไปถือศีลแปดแล้วไปอยู่คนเดียวแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครแล้วก็ยังต้องมีการเจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับเพราะสตินี่แหละเป็นตัวที่จะทำให้ใจนิ่งได้ถ้าไปปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวไม่คุก ค, คีกับใคร ไม่เสบรูปเสียงกลิ่นลดนรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารแต่ถ้าไม่เจริญสติใจก็จะไม่นิ่งอยู่ดีตัวสาคัญที่สุดก็คือสตินี้แต่ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติข้ออื่นมาช่วยสนับสนุนกันสตินี้เป็นตัวสาคัญที่สุดในบรรดาธรรมทั้งหลายในการเจริญจิตภาวนานี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า สตินี้เป็นเหมือนรอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าที่ยิ่งใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งมวงทั้งปวงในในป่านี้ไม่มีสัตว์ตัวไหนที่มีรอยเท้าใหญ่กว่ารอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี่ครอบไว้หมดเลยจึงจำเป็นที่จะต้องเจริญสติตลอดเวลาแล้วก็สนับสนุนด้วยการปีกวิเวกอยู่ตามลําพังอยู่คนเดียวไม่คุกคลีไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร แล้วก็รู้จักประมาณในการรับประทานอาหาร mm hmm. ไม่เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลภิภ mm ัพ hmm. นี่คือสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนกันทำให้ได้ก่อนถึงจะสามารถมาเจริญจิตภาวนาทำจิตใจให้สงบได้ mm hmm. ถ้าเราทำการเหล่านี้ไม่ได้ mm hmm. ก็อย่าไปหวังในการที่จะทำใจให้สงบให้นิ่ง ให้เป็นอุเบกขาที่จะเอาไปใช้ในการสู้กับตันหาความอยากได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าเรายังไม่สามารถที่จะรักษาศีลได้เพราะเราไม่เคยรักษาศีลมาก่อนเราก็อาจจะต้องมาเริ่มต้นที่ศีลห้าก่อนศีลแปดมันยากก็เอาแค่ศีลห้าก่อนเอาศีลห้าข้อก่อนไม่ทําบาปห้าข้อ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดไม่ดื่มของมึนเมาก่อนลองหัดรักษาสีห์ห้าให้ได้ก่อนถ้ายัางรักษาสีล์ห้าไม่ได้ก็อาจจะลดลงมารักษาสีล์สี่ก่อนรักษาสีล์สามรักษาข้อใดข้อหนึ่งให้ได้ก่อนถ้าเรายัางรักษาทั้งห้าข้อไม่ได้ถ้าเรายัางรักษาสีลไม่ได้เลย ก็อาจจะเป็นเพราะว่าใจของเรานี้ยังมีความอยากมากอยากทำนูน่นทำนี่ตามอ ำ, อำเภอใจก็ต้องมาลดความอยากด้วยการทำบุญทำทานก่อนการทำบุญทำทานนี้จะช่วยลดความอยากและสร้างความเมตตาให้กับใจได้เช่นเราอยากจะไปเที่ยว <_ c ười> อยากจะซื้อของฟุ่มเฟือย เราก็หยุดมันด้วยการเอาเงินที่จะไปเที่ยวเอาเงินที่จะไปซื้อของฟุ่มเฟือยนี้ไปทำบุญทำทานแทนทุกครั้งที่เรามีความอยากจะใช้เงินไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็เอาเงินเหล่านี้ไปทำบุญแทนถ้าเราทำได้ทุกครั้งต่อไปความอยากเหล่านี้มันจะหายไปความอยากไปเที่ยวมันก็จะหายไป มันจะทำให้ความเห็นแก่ตัวของเรานี้ลดน้อยถอยลงไปแล้วจะทำให้เราเริ่มเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือผูด้ดูแลผู้เช่เราอาจจะเอาเงินเนทองนี้ไปทำบุญกับพ่อแม่เราก่อนก็ได้แทนที่เราจะเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยนึกถึงบุญคุณของพ่อแม่เราถ้าพ่อแม่อดอยากอัตคัดขาดแคลนลํลำบากลำบน เราจะไปเที่ยวไปสนุกคนเดียวได้อย่างไรอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเห็นแก่ตัวเราต้องคิดถึงคุณที่มีพระคุณกับเราก่อนแล้วก็เอาเองินที่เราจะไปเที่ยวเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆนี้ไปทำบุญกับพ่อกับแม่ก่อนแล้วมันจะทำให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาทำให้ความอยากไปซื้อของฟุ่มเฟือยความอยากไปเที่ยวนี้มันจะค่อยๆลดน้อยลงไปเรื่อยๆ ถ้าเราทำได้อย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่อยากจะไปเที่ยวทุกครั้งที่อยากจะใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยก็เอาเงินไปทำบุญแทนไปให้ดูแลพ่อแม่ให้พ่อแม่อยู่อยู่ดีกินดีอยู่สุขอยู่สบายเลี้ยงดูพ่อแม่เหมือนตอนที่ท่านเลี้ยงดูเราตอนที่เราเป็นเด็กบางทีพ่อแม่อาจจะต้องอดมือ้อกินมือ้อเพื่อให้ลูกได้กินทุกมื้อก็มีท่านก็ยอม<ต>ยากลาบากเพื่อให้ลูกอยู่อย่างสุขสบาย เราสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเราเองได้และวมีเงินเหลือเฟือเราก็ควรจะคิดถึงบุญคุณของพ่อแม่ไปทําบุญทําทานกับบุคคลที่มีพระคุณกับเราก่อนแล้วมันจะทําให้เราเกิดความสุขใจเกิดความเมตตาขึ้นมาเกิดความปรารถนาดีต่อผู้อื่นอยากให้ผู้อื่นมีความสุขก็จะทําให้ไม่มีความอยากที่จะไปทําร้ายผู้อื่นไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ไปเบียดเบียนผู้อื่นมันก็จะทำให้การรักษาศีลนี้ง่ายมันเป็นไปโดยอัตโนมัติคนที่ทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอ น, นี้ <c oughs> มักจะไม่ชอบทำบาปจะให้รักษาศีลห้าก็รักษาได้อย่างง่ายได้เพราะจะไม่ชอบฆ่าสัตว์ไม่ชอบลักทัพเอาทรัพย์ของผู้อื่นไม่ต้องการเบียดเบียนผู้อื่นให้ผู้อื่นเสียหายหเดือดร้อนด้วยการเอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเขามา ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่ไปยุ่งไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้แล้วก็ไม่โกหกหลอกลวงแล้วก็ไม่ดื่มของมึนเมาเพราะรู้ว่าการดื่มของมึนเมานี่จะทําให้ขาดสติจะทําให้ไม่สามารถยับยั้งใจเวลาที่คิดที่จะทําบาปได้นั่นเองก็เลยต้อง ต้องมันทาบุญทําทานไปก่อน <Yeah. S 1> กลับมาที่ขั้นต้นเลย <Yeah. S 1> ก่อนที่เราจะไปภาวนาได้นี่เราดูซิว่าเราทําบุญทําทานได้อย่างดูแลบุคคลที่มีบุญคุณกับเราได้หรือยัง <Yeah. S 1> พ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์หรือผู้ที่เคยสนับสนุน <Yeah. S 1> เคยช่วยเหลือเราเราจะลืมเขาแล้วหรือขณ <Yeah. S 1> ะที่เขา <Yeah. S 1> เขาเข า, เขาช่วยเหลือเรานี่เราไปหาเขาทุกวันขอความช่วยเหลือจากเขา พอเราอยู่สุขอยู่สบายแล้วเราลืมท้อเลาวเลยออย่างนี้ก็เป็นการเห็นแก่ตัวแล้วจะทำให้ใจของเรานี้จเจริญเติบโตขึ้นมาไม่ได้พื้นฐานของความจเจริญเติบโตของคนให้เป็นคนดีสูงขึ้นไปตามํะดับนี้ก็คือความกตัญญูกตวเวทีนี่ ม, มีจิตสำนึกในบุญคุณของผู้อื่น <c oughs> แล้วก็ตอบแทนบุญคุณของผู้อ ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยหลังจากที่พุทธมารดาคลอดพระพุทธเจ้าออกมาได้เจวันพุทธมารดาก็เสียชีวิตไปปล่อยให้น้องสาวของพุทธมารดาเป็นแม่เลี้ยงแทนเลี้ยงดูแทนแต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรตวเป็นพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งแรกที่พระเจ้าคิดถึงก็คือบุญคุณของพุทธมารดา ผู้ให้กำเนิดต่อเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเพราะว่าถ้าไม่มีพุทธมารดาเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็จะมาเกิดในโลกนี้ไม่ได้เมื่อมาเกิดในโลกนี้ไม่ได้ก็จะมาบวชไม่ได้เมื่อตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงสำนึกในบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของพุทธมันดาจึงใช้พลังจิตของท่าน ค้นหาดวงวิญญาณของพุทธมารดาว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนนละในที่สุดก็ไปเจอท่านอยู่ในสวรรค์ท่านก็สามารถติดต่อกับพุทธมารดาแล้วก็สั่งสอนทมแสดงทมตลอดระยะเวลาหนึ่งพรรษาจนพุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระอริยสองขั้นที่หนึ่งเป็นพระโสดาบันเป็นผู้ที่มีปัญญาที่จะใช้ดับความทุกข์ได้ด้วยตนเองแล้ว พอเป็นพระโสดาบันแล้วนี้ไม่ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คอยสั่งคอยสอนก็ได้สามารถกําจัดความทุกข์ได้ด้วยความรู้ที่ได้จากการบรรลุเป็นพระโสดาบันเพอะพระโสดาบันนี้จะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจ ส, สี่เห็นใจรักและทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในกรอบของอริยสัจ ส, สี่และใจรัเนี้ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ระดับไหนก็ตามมันก็อยู่มันก็ต้องใช้อริยสัจ ส, สี่ใช้ใจรักษณ ในการกำจัดมันทั้งสิ้นนี่แหละคือการทบความสำนึกของพระพุทธเจ้าถึงแม้ได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดเลิศเ ล, เลที่สุดไม่มีใครจะเสมอเท่าแล้วก็ตามแต่ท่านก็ไม่ลืมบุญคุณของพุทธมารดาที่ถึงแม้ว่าจะเลี้ยงดูท่านได้เพียงแค่เจ็ดวันก็ตามแต่การที่ได้อาศัยท้องของท่านมาเกิดนี่มันเป็นเรื่องบุญคุณอันใหญ่หลวง เพราะถ้าไม่มีแม่ในลูกจะเกิดมาไม่ได้เจ้าชายศิทธาตุจะเกิดมาไม่ได้จะเจริญเติบโตขึ้นมาไม่ได้แล้วก็จะไปบวชไปไปปฏิบัติธรรมและบรรลุปเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ต้องมีร่างกายท่านจึงเห็นความสําคัญเห็นบุญคุณของพุทธมันดาจึงพยายามค้นหาดวงวิญญาณของพุทธมารดา คนพบแล้วก็ไปแสดงทำโปรดอย่างพันศาวันที่ท่านออกพันศาลงมาจากสวรรค์นี้เราเรียกว่าวันต่างบาทเทโวตลอดระยะเวลาสมเดือนท่านจะไปเทศโปรดพุทธมารดาทุกคืนแต่การไปของท่านนี้ท่านไม่ได้ไปด้วยร่างกายร่างกายของท่านนี้อยู่ในโลกนี้ร่างกายนี้ไปไปในโลกทิพย์ไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ แต่ใจของท่านนี่สามารถส่งกระแสจิตไปได้ส่งกระแสรับรู้สามารถไปติดต่อกับกายทิพย์ต่างๆได้พอพบกายทิพย์พอเริ่มแสดงธรรมกายทิพย์ต่างๆก็เริ่มมีความสนใจมาติดตามขอฟังเทศฟังธรรมพระพุทธเจ้าทุกคืนทุกคืนนี้พระพุทธเจ้าถึงแม้หลังจากที่ได้เทศปวดพุทธมานดาจนบรุเป็นพระอริยสงสาวกแล้ว พระองค์ก็ยังมีการแสดงธรรมบทเพวกกายทิพย์ต่อไปเรื่อยๆทุกคืนในยามดึกนี่พระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมบดเทวดาทั้งหลาย<ม>นี่คือความสำคัญของความกตัญญูกตวเวทีถ้าเราอยากจะเจริญทางด้านจิตใจนีเราต้องเริ่มต้นที่ความกตัญญูกตวเวทีอย่าลืมบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณกับเราเป็นอันขาดถ้าท่านเดือดร้อนถ้าท่านลำบากก่าเรา แล้วเราสามารถดูแลบรรทุกบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของท่านได้เราไม่ควรที่จะดูได้ไม่ควรจะทำเป็นลืมไม่ติดต่อกลับมาเลยไม่สนใจเลยว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะเป็นอย่างไรบ้างขอให้เรานี่มีแต่ความสุขคนเดียวอันนี้เป็นนิสัยสันดานของของความความเห็นแก่ตัวของความหลงที่จะฉุดลากให้ละจิตนี้ตกอยู่ในกองทุกข์ไปเรื่อย ก็ะจะไม่สามารถที่จะไปทำบุญทำทานไปรักษาศีลไปเจริญสตินั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาและเจริญวิปัสสนาปัญญาได้เลย mm hmm. ต้องอาศัยการมีความสำนึกในบุญคุณของผู้อื่นและตอบแทนบุญคุณตามกําลังของเราไปก่อน mm hmm. ถ้าตอนนี้เรายังไม่สามารถตอบแทนได้ก็รอไว้ก่อน mm hmm. ถ้ามันสุดวิสัยยังไม่สามารถทาอะไรได้ เพราะลพังตัวเราเองยังเอาเอาตัวไม่รอดอย่างนี้เราก็ต้องทําตัวให้เราให้รอดก่อนแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเรามีฐานะดีขึ้นมีเงินเหลือกินเหลือใช้อย่าเอาไปใช้กับการหาความสุขใส่ตัวเองไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรต่างๆไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสไปซื้อของฟุ่มเฟือยของเหล่านี้มันเป็นความสุขประเดี๋ยวประดาแต่มันเป็นความสุขที่จะ ทำให้จิตติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จักจบจากสิน้นเราไม่ควรที่จะไปหาความสุขแบบนี้ให้เรามาหาความสุขจากการทําบุญทําทานทํากับบุคคลที่มีพระคุณกับเราก่อนดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้ท่านอยู่ดีกินดีแล้วถ้าเรายังมีมีกำลังที่จะทําเพิ่มอีกเราก็มาม า, มาทำบุญทดแทนพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พรถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีพระพุทธศาสนานี้เราจะไม่เราจะไม่มีปัญญารู้เลยว่าวิธีการดับทุกข์ของเรานี้ต้องดับได้อย่างไรเราก็จะติดอยู่ในกองทุกข์ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเพรนั้นถ้าเรามีกําลังพอที่จะอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาได้เราก็มาทําบุญที่วัดกันอาจจะไปหาวัดที่ยากลําบากยากจนคนไม่มากแต่ก็ต้องเป็นวัดที่ เป็นวัดที่มีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะวัดบางวัดที่ไม่มีคนไปก็เพราะว่าพระปฏิบัติไม่ดี น, นั่นเองพระกินเหล้าพระกินอาหารเย็นอย่างนี้ใครรู้ก็ไม่มีใครอยากจะไปทําบุญด้วยดังั้นเราก็ต้องดูสังเกตดูว่าวัดไหนควรจะไปวัดไหนไม่คนจะไปบางทีวัดที่มีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีคนไปกันเยอะเราก็ไปกันได้เพราะเรานอกจากจะไปทําบุญแล้วเราอยากจะไปเรียน ไปศึกษาจากพระสุปฏิปันโนเรียนรู้วิธีการดับความทุกข์ว่าทาอย่างไรวัดที่มีครูบาอาจารย์ที่มีพระสุปฏิปันโนนี้จะมีคนไปกันเยอะไปกันมากทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าวัดนี้ไม่ต้องการอะไรแล้วมีเหลือเฟือแต่ก็ไม่ต้องกังวลเพราะครูบาอาจารย์นี้ท่านไม่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัวท่านไม่ได้เป็นคนโลภที่จะเก็บทรัพย์ต่างๆที่ญาติโยมไปถวายเก็บไว้ใช้ด้วยตนเอง ท่านก็จะไปสงเคราะห์โลกด้วยด้วยวิธีการต่างๆไปช่วยโรงพยาบาลที่ขาดแคลนไปช่วยโรงเรียนที่ขาดแคลนไปช่วยคนยากคนจนที่ขาดแคลนอย่างหลวงตามหาบัวนี่ท่านท่านสงเคราะห์โลกเกือบทุกรูปแบบเลยช่วยโรงเรียนช่วยโรงพยาบาลสร้างศึกสร้างอาคารในต่างๆจนกระทั่งมาช่วยชาติในภายหลัง ดน้นทำบุญกับพระสุปฏิปันโนนี้ไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่าเงินทองของเราจะสูญหายไปไหนทุกบาททุกสตังนี้ท่านจะเอาไปใช้ทำประโยชน์ให้แก่โลกเพื่อให้โลกได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขกันโลกเราอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเมตตาเมตตาเป็นเครื่องค้าจุนโลกถ้าเราอยู่ด้วยความเห็นแก่ตัวโลกเราก็จะวุ่นวายโลกเราก็จะเกิดสงครามกัน ที่ไหนที่เราที่เขามีสงครามมีสังเกตอยู่เป็นเพราะว่าเขาไม่มีความเมตตากันเขามีแต่ความเห็นแก่ตัวเขาอยากจะได้ประโยชน์ใส่ตนแล้วถ้าใครมาขัดขวางเขาเขาก็มีการฆ่าฝันกันขึ้นมาแต่เมืองไทยเหล่านี้เป็นเมืองที่สงบมาตลอดเพราะว่าเรามีพระพุทธศาสนาสอนใจให้เรารู้จักให้มีความเมตตาเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ต่อกัน เราจึงอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขถึงแม้ว่าเราจะไม่ร่าไม่รวยก็ตามแต่เราก็อยู่อย่างมีความสุขได้เพราะว่าการที่จะอยู่อย่างมีความสุขทางร่างกายนี้มันไม่ต้องมีอะไรมากมีปัจจัยสี่พอเพียงก็พอแล้วแต่เหตุที่ทำให้ใจเราอยู่กันอย่างมีความสุขนี้เกิดจากการที่คนเรามีอัตมีธรรมมีศีลมีธรรมมีความเมตตากรุณาต่อกันอันนี้เป็น เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยคนต่างชาติที่ไม่เคยมาประเทศไทยพอเขามาเที่ยวแล้วเขาก็ติดใจพอเขาเห็นความเมตตาของคนไทย น, นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องควรที่จะคำนึงถึงกันไม่ใช่ว่าเราอยากจะไปหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วเราก็ไปปฏิบัติเลยไปบวชเลยถ้าไปบวชแล้วถ้าไม่มีพื้นฐานรองรับนี้ก็อยู่ไม่ได้ บางคนบวชได้ไม่กี่วันก็ลาสิกขาไปรดยถ้าบวชแล้วก็ไม่ได้ไปปฏิบัตินไปทําอะไรที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของของพระที่ควรจะทําันเราสร้างความเสื่อมเสียให้กับพระพุทธศาสนาถ้าอยากจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่เราต้องไต่ต้าวขึ้นไปจากระดับพื้นฐานก็คือความกตัญญูกตเวทีความเมตตากรุณามีความไม่เบียดเบียนผู้อื่น ทำบุญทำทานช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็รักษาศีลถ้าเราทำบุญทำทานแล้วเราจะรักษาศีลได้ง่ายเพราะเราไม่อยากจะทําให้ใครเสียหายเดือดร้อนเวลาเราจะทําอะไรเราต้องคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเราก็จะรักษาศีลห้าได้อย่างง่ายได้แล้วพอเรามีเวลาว่างอยากจะไปลองปฏิบัติสมาธิไปจิตตะภาวนาแล้วก็ไปหาวัดที่สงบเงียบที่มีการสอนปฏิบัติจิตตะภาวนา ไปถือศีลแปดไปกินข้าวมื้อเดียวบ้างหรือกินสองมื้อแต่ไม่ไม่เกินเที่ยงวันไปแล้วแล้วก็แยกกันอยู่ตามกุติตามที่พระไม่เข้ามาสนทนาไม่คุยกันแล้วก็จเจริญสติอย่างต่อเ น, นื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับเพื่อทำใจให้ให้หยุดคิดให้ได้พอทาใจให้หยุดคิดได้เวลานั่งสมาธิใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบใจก็จะได้อุบเบกขาขึ้นมา พอใจได้อุเบกขาแล้วเราก็มาสอนใจให้รู้ทางปัญญาว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นของธรรมชาติไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถที่จะไปสั่งของต่างๆให้เป็นไปตามความอยากของเราได้ถ้าเราไปสั่งไปอยากเราจะทุกข์ถ้าเราไม่อยากเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะสามารถดับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ได้ดับความทุกข์ที่เกิดจากความเก็บไข้ได้ป่วยได้ ระดับความทุกขที่เกิดจากความตายได้อันนี้แหละคือปัญญาทางพระพุทธศาสนาที่มีอยู่สามระดับด้วยการที่นำามาฝากท่านในวันนี้คือขั้นที่1สุตตามยะปัญญาการศึกษาเรียนรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ 2. จินตามยะปัญญาการพิจารณาค่ายควรธรมที่ได้ศึกษามาอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืม 3. การไปเจริญ สมถภานวนาเพื่อทำให้ใจมีพลังในการหยุดต้นเหตุของความอยากคือตัณหาต่างๆหยุดหยุดต้นเหตุของความทุกข์ก็คือตัณหาความอยากต่างๆพอใจมีอุเบกขาแล้วพอปัญญาบอกว่าความอยากนี้ทำให้ใจทุกข์ก็สามารถหยุดความอยากนี้ได้ใจก็จะหายทุกทันทีการสแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา <ๆ S 1> จะขออนุโมทน า, าให้พร ยะถาวาลิวาหะปุราปาลิกปุเรนติสักหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานางอุปกาปติอิชิต่างปที่ต um ่างตุ่มหางคิดเปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปา จันทุปนาระโสยทาณิโชติระโสยทาสัพพิติยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะภิวาทนสีลิตสนิจังวุฒาปจายโนจตารูธรรมวาทานติ อายุวันุสุขังภาลางช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามเมื่อกี้ฟังแล้วไม่เข้าใจตรงไหนก็ขอเชิญถามได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้มีผู้รับฟังธรรมานากุศจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ482ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ e 308 YouTube ดรว80คลับ h o u s ์7วิทยุออนไลน์6น้ากุศ148รวมทั้งหมด 1,031 ท่านคะ่ะ mm hmm. คำถามจากผู้รับฟังเมื่อวานนะคะคำถามแรก ใจอย่างเดียวโดยลำพังสามารถทำสมาธิได้หรือไม่หรือมันมีกฎว่าจะต้องทำผ่านร่างกายมนุษย์เท่านั้นคะ อ, อ๋อใจถ้ามีคนสอนก็สามารถทำได้เช่นเทวดาก็มาเรียนธรรมะจากพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็สอนวิธีทำใจให้สงบได้ ข้อที่สองเพราะอะไรใจที่อยู่กับตัวเราเวียนว่ายตายเกิดมาแล้วนับแสนแสนชาติแต่ทําไมพอมาเกิดใหม่กลับจําอะไรไม่ได้เลยคะจําได้บางอย่างเราก็จําได้เราชอบอะไรนี้เรายังจําได้เราเกลียดอะไรเรายังจําได้อยู่เราชอบของสีแดงสีขาวอะไรนี่เราก็ชอบเราเกลียดสีอะไรเราก็เกลียดมันก็ยังส่วนที่มันฝังอยู่ ที่มันฝังด้วยจากการชอบความชังนี้มันจะจำได้แต่มันจะจำพวกชื่อสถานที่เหตุการณ์ต่างๆไม่ได้นอกจากว่าถ้ามีพลังจิตสามารถระลึกชาติได้ก็อาจจะสามารถจะจำอะไรต่างๆได้ข้อที่สชีวิตประจำวันของผู้ที่นิพพานไปแล้วจะเป็นอย่างไรคะ ก็ลองทำดูสิแลก็จะรู้เองคังน้นี้รู้ไปก็เปล่าประโยชน์เปล่าลก็ต้องมาทำใจให้เราเป็นนิพพานแล้วเราก็จะรู้อยู่อย่างไรคำถามจากทางยูทู u ด็อกตอร์ีค่ะตอนนี้นั่งมีความสงสัยว่า สีนั่งสมาธิสี่สิบห้านาทีสงบจนรวมจนมีแต่ตัวรู้ของลูกสงสัยเจ้าค่ะว่านั่งสมาธิสี่สิบห้านาทีสงบจํานจนจรวมจนมีเหลือแต่ตัวรู้ทุกวันแต่มันจะเด้งออกมาเองทั้งๆ ท, ท, ที่ตั้งใจจะนั่งสองถึงสามชั่วโมงและถ้ากําหนดรู้แต่ที่ปลายจมูกจะสงบเร็ว ห้ามตามลมออกไปถ้าตามจิตจะหลอนให้เราคิดฟุ้งซ่านค่ะก็สติหมดกำลังเหมือนรถยนต์ขับไปแล้วน้ํามันหมดมันก็จอดอยากจะให้วไปต่อก็ต้องไปเติมน้ํามันอยากจะให้นั่งต่อไปก็ต้องเริ่มพุทโธใหม่เริ่มดูลมหายใจใหม่มันถึงจะกลับเข้าไปได้ใหม่ห คำถามจากทาง y o u t u ด็อเตอร์ฟีค่ะอยากให้อยากให้หลวงพ่อท่านให้อวา่ากับผมผมป่วยเป็นโรคร้ายแรงต้องผ่าตาดัดแล้วต้องสูญเสียการดำเนินชีวิตโดยปกติครับโดยโรคของผมเป็นเคสที่หายตัวเป็นหาเป็นเคสที่หายากมากครับเลยไม่ทราบว่าจะต้องทำยังไงต่อไปกับชีวิตก็ฟังทำวันนี้เยหลวงแล้ว าเราเจอโรคอะไรเราก็ต้องหัดอยู่กับมันไปยอมรับมันไปเพราะเราไปสั่งมันไม่ให้มันอยู่กับเราไม่ได้ทำให้มันหายไปไม่ได้พ่ามันไม่ยอมหายเราก็ต้องอยู่กับมันไปอย่าไปโกรธมันอย่าไปเกลียดมันอย่าไปรังเกียจมันอย่าไปอยากให้มันหายแล้วเราก็จะอยู่กับมันได้ เขาถามเพิ่มว่าตัวเขาไม่อยากเข้ารับการรักษาเพราะเป็นผู้ชายคนเดียวในบ้านมีแฟนและลูกสาวครับยังเป็นห่วงเขาครับไม่อยากรักษาก็ไม่รักษายต่ตัวเราเนี่ยเราก็ตัดสินใจเอาเองชีวิตของเราจะรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้คำถามจากเด็กป .1 ทางบ้านนะคะเขา เขาไม่แน่ใจว่าจะเหมาะหรือเปล่าที่จะถามนะคะก็คือว่าไม่ได้ถามอะไนถ้าไม่รู้ไม่แน่ใจก็ไม่ไ้องถามอะไรไม่แน่ใจก็อย่าถามดีกว่าคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะ นั่งสมาธิได้นานขึ้นเห็นความคิดเข้ามาปัดตกไปแล้วกลับมาพุทต่อพุทโทต่อลมหายใจละเอียดขึ้นจนแทบจับไม่เจอว่าลมเข้าหรือออกร่างกายแม้ขาจะชาแต่แต่รู้สึกเบาสบายทางใจจนไม่อยากถอนออกจากสมาธิเริ่มจะมาถูกทางไหมคะถูกแล้วหละถ้ามันอยากจะนั่งต่อก็แสดงว่าใช่ได้ใจเริ่มมีความสุขจากการนั่งเลยไม่อยากจะออก คำถามจากทาง y o u ูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะผ้าป่ากับกรถินทําบุญแล้วได้บุญเท่ากันไหมครับเท่ากันอยู่ที่เงินที่เราทําทำร้อยบาททํากรถินก็ได้เท่ากับทําผ้าป่าร้อยบาทไม่ต่างกันมันเป็นผ้าเหมือนกันเแต่เปลีป่ยนชื่อเป็นผ้ากรถิ่นกับผ้าป่าเท่านี้ความผูกพัน ความผูกพันบ้านรถสิ่งของกับความผูกพันลูกและภรรยาถือว่าเป็นสินส่งผูกมัดเหมือนกันไหมครับก็ลองลองยกให้คนอื่นไปแต่ยกได้ปะ่ะตอนนี้ไม่ไมีเป็นคำถามนะไม่มีคําถามวันนี้จะปล่อยให้กลับบ้านเร็วหน่อยเพราะเมือ <c oughs> น, นฟ้ามันกำลังไล่เข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยว